พระพุทธเจ้าท่านเห็นปฏิจจสุ บ, บัตท่านก็บรรลุพลราหันสิ่งแล้วการบรรลุพลราหันทุทุโองคนะเห็นแจ้งอันเดียวกันนี้แหละแต่ลึกซึ้งไม่เท่ากันขนาดพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะเห็นปฏิจจสุ บ, บัทิยังไม่เท่ากันเลยบางองค์ท่านเห็นลงมาตื่นเงินวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณท่านจบตอนนี้ท่านขาดเลย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 วัดวัดตามันหมุนหมุนหมุนไม่จบไม่สิ้นเลยหล่อเลี้ยงกันไปมาแล้วว่างอาวิชาเอาสวะจริงเอาวิชาก็าเป็นอาสวะตัวหนึ่งเนอาวิชาสวะเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นกิเลสที่ห่อพุ่มจิตเลยเป็นสิ่งที่ห่อพุ่มจิตนลยพวกเราตอนนี้ใครภอวนาแล้วเห็นสิ่งที่ห่อพุ่มจิตบ้างมีเรื่อยง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 กิเลสถูกทำลายด้วยสติกิเลสหยาบๆใช้สติเข้าไปทำลายมันนิวรณเป็นกิเลสระดับกลางใช้สมาธิอาสะวะนี่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดเลยจะทำลายไดนะ้ด้วยปัญญาอันยิ่งในอริยมรรคปัญญานอกมรรคก็ยังทำลายไม่ได้จริงขนาดปัญญาอันยิ่งไหนม้งต้องทำลายทั้งสี่ครั้งนะเหมือนฟัน4ี่ทีนะ่าถึงขาดนะ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 เรื่องสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาเนี่ยพระพราห์เขาเรียนกันในหลักสูตรนักธรรมเอกถ้าเรียนอภิธรรมนะอยู่ในปริเฉตที่เก้าปริเศตเฉดสุดท้ายเลยแต่เขาเรียนก่อนเรียนก่อนตัวที่ยากที่สุดคือคำพีปัฏฐานก็คนที่ได้ศึกษาหลักของปริยัตนะ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 เห็นลักษณะที่จตุก ะ, ะองคศีของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเห็นหมดเลยแล้วก็ครบ ล, ละลักษณะที่จตุกะก็คือสภาวะอันนั้นมีลักษณะอย่างไรสภาวะอันนั้นทาหน้าที่อะไรสภาวะ น, านั้นถ้าทําหน้าที่แล้วจะมีผลเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สภาวะนั้นเกิดรวมแล้วสี่ข้อสภาวะธรำทั้งหมด7จบสองตัว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 ที่เป็นสังขารอีก50ตัวรวมแล้วเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมทั้งหมดเจตัว 52. เรียนแทบตายนะท้องแทบตายไม่เห็นนะเขาไม่รู้วิธีที่จะเห็นพวกเราที่มาเรียนปฏิบัติเนี่ยเรามาเรียนวิธีที่จะเห็นสภาวะนะต่างกันเท่านี้เองสุดท้ายเรียนเรื่องสภาวะนะ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 ตัวอริธรรมก็ตัวจิตตัวเจตสิกตัวรูปทั้งหลายนี่คือเรื่องของอริธรรมทั้งนั้นเลยหรือเราเห็นกระบวนการทํางานของจิตเป็นวิธีจิตไหมเห็นนี่สิ่งเหล่านี้เราเรียนสิ่งเดียวกับที่ตําราสอนนั่นแหละแต่เรารู้วิธีที่จะเห็นสภาวะต่างกับเขานิดเดียวเราอาจจะไม่รู้สภาวธรรมทั้งเจอย่างไม่แตกฉานขนาดนั้นจําเป็นต้องรู้72อย่างไหมไม่จําเป็น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 ถึงอานกินจัญญายตนะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยสุดขีดที่สมาธิของปุถุชนจะทําได้นะก็ไม่เห็นจะบรรลุอะไรเลยตายไปนะพระพุทธเจ้าอุทานนึกถึงแล้วท่านอุทานว่าพลาดจากคุณอันใหญ่เห็นไหมพวกสมาธิซื่อบื้อนะไม่เดินปัญญางั้นสมาธิไม่เดินปัญญ า, ม า, ไ, มญญาไม่บรรลุมรรคผลนะมีแต่สมาธิแบบมักง่าย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 ตอนที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างหยุดอยู่กับที่นะเรียกว่าอุกหานิมิตนะแสงเนี้ยจะสว่างจะย่อได้ขยายได้นะฝึกไปใครอยากเรียนวิชาสร้างแสงแบบย่อๆไหมวิธีทําสมาธิย่อย่อเลยนะหมูหมูหมูหมูหมหมทําใจสบายอยู่ที่นี่นะถ้าเลือดมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านะสว่างทันทีเลยนะทําใจสบายนะ